เพราะถือมั่นรูปเพราะยึดมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดมั่นคงดุจเสาระเนียดเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดมั่นคง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 สิ่งนั้นเป็นทุกข์เมื่อมีสิ่งนั้นเพราะถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลมไม่พัดมั่นคงดุจเสาระเนียดนวาตะสูตรที่หนึ่งจบข้อที่ร้อยห้าิบเอดถึงงหเพึงเพิ่มสูตรอีก24สสูตรเข้ามาให้เต็มเหมือนในทุติยวัค สุขทุก ข, ขีสูตรที่25้าจบ26อสทุกขมสุ ข, ขีสูตรว่าด้วยอัตราที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุข275เห้าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย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 เมื่อมีรูปเพราะถือมั่นรูปเพราะถือมั่นรูปทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้วอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุขไม่สลายไปเมื่อมีเวทนาเมื่อมีสัญญาเมื่อมีสังขารเมื่อมีวิญญาณเพราะถือมั่นวิญญาณเพราะยึดมั่นวิญญาณทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า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 ไม่สลายไปไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายด้วยประการอย่างนี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เมื่อมีสิ่งนั้นเพราะถือมั่นสิ่งนั้นทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้วอัตตาที่ไม่มีทั้งทุกข์และสุขไม่สลายไปเวทนาสัญญา